ยี่สิบ อ, อ, อัตมันหรืออัตตาของตนก็ของตนมิใช่ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะมีความเป็นอัตตาของตนก็เป็นของพระเจ้าเองไปเถิดจะยิ่งใหญ่ปานใดขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องปรมาตมันหรือบรมอาตตา ของพระเจ้าเองส่วนอัตราของแต่ละคนไม่ใช่ของพระเจ้าแน่ๆเด็ดขาดและพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ริบความเป็นอัตราหรืออำนาจของมนุษย์คนใดามาเป็นของพระเจ้าอัตราหรืออำนาจของใครต้องเป็นของเขาเจ้าตัวเอง เพราะตัวตนอัตตาของใครก็ย่อมมีความเป็นตนของตนใครอื่นจะมาเป็นตนของตนย่อมไม่ได้ความเป็นอิสระของคนต้องเป็นของตนเองตัวตนอัตตาของใครก็ต้องของคนนั้นเป็นเจ้าของย่อมมีอิสระในความเป็นตนของตนเต็มบริบูรณ์ มิใช่ทาตของใครแม้แต่พระเจ้าตนเองก็ต้องมีพระเจ้าคือจิตใจของตนเองนั่นคือจิตใจของใครจิตใจวิญญาณ น, นั้นก็ต้องเป็นของเขาคนนั้นจึงจะไม่ชื่อว่าทาตหรือชีวิตเป็นอิสระเสรีแท้ นี่คือความจริงที่จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ถึงที่สุด